จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29ท่าธันวาคมพุทธศักราช2555้าหเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลวันสิ้นปีและขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่ใกล้จะเป็นวันสุดท้ายของปีคือเหลืออีกสองวันก็จะเป็นวันสิ้นปีก็แสดงว่าเวลาได้ผ่านไปอย่างต่อเนื่องเวลานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโบราณท่านเปรียบเหมือนกับน้ำที่มีคำสอนที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตักเวลาของพวกเราก็เป็นเหมือนน้ำที่เราจะเอามาใช้ให้เกิดคุณ mm. เกิดประโยชน์ mm. กับชีวิตของเราเพราะน้ำที่เรามีหรือเวลาที่เรามีนี้จะลดลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่มีน้ำเหลือให้เราตักเวลาของชีวิตเรา ก็สั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีเวลาเหลือที่เราจะทำอะไรได้ดังนั้นตอนนี้เป็นเวลาที่เรายังมีเวลากันอยู่เราจึงไม่ควรปล่อยให้เวลานี้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำคุณทรประโยชน์ให้กับตัวเราและให้แก่ผู้อื่น พระพุทธเจ้าทรงเตือนสติทรงสอนให้พวกเราเตือนสติอยู่เสมอว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด น, นี่คือคำสอนขั้นสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะ จากพวกเราไปทรงเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับเวลาและไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเท่ากับเวลาเพราะถ้าเรามีเวลาเราจะสามารถทำประโยชน์อย่างใหญ่หลวงทั้งกับให้กับตัวเราเองและให้แก่ผู้อื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรง กระทำมาในเบื้องต้นองสองทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่พระองค์ได้ทําให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว พร้องก็ใช้เวลาที่เหลือมาเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้ได้มีความรู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นมาก็ปรากฏมีผู้ที่สามารถ น้อมเอาคำทักคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีเป็นจํานวนมากและมีมาเป็นเวลาอันยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ก็ 2,500 กว่าปีแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้ายังเป็นคำสอนที่ศักดิ์สิทธ เป็นคำสอนที่ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้เหมือนกับในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโกคือไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆทั้งหลายเช่นยาหรืออาหารที่ต้องมีฉลาติดเอาไว้ว่า ควรบริโภคก่อนวันนั้นวันนั้นสแสดงว่าถ้าหลังจากวันนั้นแล้ว อ, อ, อาหารหรื อ, อยานั้นจะเสื่อมคุณภาพหรือหมดคุณภาพไปได้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ติดฉลากไว้คำเดียวว่าอากาลิโกอากาลิโกแปลว่าไม่มีวันเสื่อมไปกับ การกับเวลานอกจากฉลาบที่ว่ า, าการลิโกแล้วก็ยังมีฉลากที่ติดว่าสวาขาโตภะกวตาธรรมโมแปลว่าทมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบแล้วคือเป็นคำสอนที่พูะเจ้าทรงพูดตามหลักของความจริงเป็นความจริงล้วนๆไม่มีความปลองอเข้ามา ผสมเจือปนอยู่เลยผู้ใดที่สามารถนำเอาไปศึกษานำเอาไปปฏิบัติได้ย่อมได้รับผลอย่างที่พระองค์ทรงได้รับมาอย่างแน่นอนพระองค์จึงทรงเปรียบเหมือนผู้ ผ, ผลิตยาแล้วนำยานี้มาแจากจ่ายให้แก่ผู้ที่ยังมีความทุกข์ใจกันอยู่ ถ้าใครนำเอายาของพระพุทธเจ้ามาศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติไม่ช้าก็าเร็วก็จะได้หายจากความทุกข์ทั้งหลาย mm hmm. และฉลาดข้อที่สามที่ติดมากับยาก็คือโอปนะญิโกโอปนะญิโ hmm. กแปลว่า mm hmm. ให้น้อมเอายานี้เข้าไปในใจของพวกเรา เหมือนกับเราเอายาเข้ามาในร่างกายของเราเพราะว่าถึงแม้ยาจะวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่รับประทานยายานั้นจะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของพวกเราให้หายได้ฉันใดยาของพระธเจ้าก็คือธรรมโอสถนี้ก็เป็นอย่างนั้นเราจะต้องน้อมเอาเข้ามาสู่ใจของเรา เหมือนกับเรารับประทานยาถ้าธรรมะโอสดนี้ยังอยู่ภายนอกใจของเราจะไม่เกิดประโยชน์กับใจของเราจะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราได้เราต้องน้อมเอาเข้ามาโอปัญญโกรับประทานยานี้การรับประทานยานี้ก็คือเบื้องต้นก็คือให้ศึกษา เรียกว่าปริยัมให้ศึกษาฉลาดให้ศึกษาคำแนะนําข้อบ่งชี้ต่างๆของยานี้ว่าจะต้องรับประทานยานี้อย่างไรจะเอาเข้าไปในใจได้อย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามพอเราปฏิบัติตามแล้วผลก็คือปฏิเวทก็จะปรากฏขึ้นมาก็คือการหายจากทุก ต่างๆไปตามลำดับจนไม่มีทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจของพวกเราเลยนี่คือยาของพระพุทธเจ้าธรรมโอสถ์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กับพวกเราพระองค์ได้ปฏิบัติหน้าที่แจกจ่ายยานี้ตลอดนับตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือนหกหลังจากนั้นก็สรงเริ่มงนำเอาธรรมโอสถนี้มาเผยแผ่เพราะพุโทองนี้มีพุทธกิจมีกิจประจำวันอยู่5ประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือตอนบ่ายจะอบลมสั่งสอนคาวาดญาติโยมข้อสองตอนค่ำจะอบรมสั่งสอน พระภิกษุสัมมเณรข้อที่สตอนดึกจะอบรมสั่งสอนเทวดาทั้งหลายข้อที่สตอนเช้าก่อนที่จะทรงออกบินทบาตได้ทรงเล็กยานดูว่าจะไปอบรมสั่งสอนผู้ใดในวันนั้นเป็นกรณีพิเศษและข้อที่หก็คือทรงออกบินทบาต นี่คือกิจของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธกิจหเป็นกิ จ, จวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงนำเนินทรงปฏิบัติหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสรตวเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องปฏิบัติภารกิจอีกรูปแบบหนึ่งก็คือปฏิบัติภารกิจเพื่อที่จะทําให้จิตใจ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นภารกิจที่พวกเราต้องทำกันก่อนก่อนที่เราจะไปเอาธรรมโอสถไปจำหน่ายจ่ายแจกให้แก่ผู้อื่นเราต้องมีธรรมโอสถภายในใจของเราก่อนถ้าเราไม่มีแล้วเราเอาไปไปสั่งสอนผู้อื่นเราก็จะสั่งสอนแบบผิดผิดถูกถูก ผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาดัางนั้นหน้าที่ของเราในเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปเผยแผ่ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องนําเอาคําสอนมาให้อยู่ในใจของเราก่อนให้เรามีดวงตาเห็นธรรมก่อนให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานก่อนให้เราบรรลุ เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก่ๆอนเช่นบรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระสกิดาคามีบรรลุเป็นพระอนาคามีบรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากที่เราได้บรรลุแล้วทีนี้เราก็จะอยู่ในฐานะที่จะเป็นอาจารย์อบรมสั่งสอนผู้อื่นได้ต่อไปเหมือนกับนักศึกษาที่ต้อง ตั้งใจศึกษาเร่มเรียนก่อนศึกษาปีที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นปีที่สองปีที่สามปีที่สจนได้รับปริญญาเมื่อได้รับปริญญาแล้วก็สามารถไปสมัครงานเป็นครูเป็นอาจารย์เพื่อที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อไปพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายเราอย่าไปเสียเวลากับการสั่งสอนผู้อื่นเพราะประโยชน์จะไม่เกิดเพราะคําสอนของเรานี้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่สามารถยังผลให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเรายังไม่มีผลแล้วเราจะเอาคําสอนนี้ไปให้ผู้อื่นเขาได้ผลได้อย่างไรเราต้องมีผลก่อนได้รับผลก่อน เราจึงต้องทำหน้าที่ของเราก่อนหนังที่สงตัดไว้ว่าจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนมาก่อนและประโยชน์ท่านมาทีหลังด้วยความไม่ประมาทความว่าไม่ประมาทก็คือต้องคอยเตือนสติเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเราอาจจะดับไปเมื่อไหร่ก็ได้ ชีวิตของเราก็เหมือนเทียนที่จุดไว้นี่แหละอาจจะดับก่อนที่เนื้อเทียนจะหมดก็ได้เพราะถ้าไปเจอลมแรงๆเข้าลมก็สามารถพัดทําให้เทียนดับได้ชีวิตของเราก็มีลมหลายชนิดด้วยกันลมเบาๆก็มีลมแรงๆก็มีถ้าไปเจอลมแรงๆเข้าเช่นไปเกิดอุบัติภัยต่างๆหรือไปเจอโลกร้ายต่างๆ ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดับไปได้ก่อนเวลาที่ควรจะดับเราจึงอยาไปคิดว่าเราจะอยู่ไปจนถึงแก่จนถึงอายุ90้าสร้อยปีเพราะว่าไม่มีใครสามารถรับประกันได้แม้แต่ริษบทประกันชีวิตเขาก็ไม่ได้รับประกันว่าเราจะอยู่ถึงอายุร้อยปีถ้าเราทำประกันกับเขา ก็เพียงแต่รับประกันว่าถ้าเราตายเขาจะทำหน้าที่เลี้ยงดูผู้แทนเราต่อไปก็คือเขาจะมีเงินก้อนหนึ่งมอบให้กับผู้ที่เราต้องเลี้ยงดูแต่เขาไม่รับประกันชีวิตของเราคาว่าประกันชีวิตนี้เป็นคำคำที่ไม่ถูกถ้าฟังแล้วอาจจะคิดว่าถ้าเราอยากจะอยู่ไปนา น, าน เราก็ซื้อประกันชีวิตแต่นี่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะสามารถมารับประกันชีวิตของเราได้แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่สามารถรับประกันชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทคืออย่าไปคิดว่าเราจะอีกนานกว่าจะตายถ้าเราไม่อยากประมาทขอให้เราคิดอยู่เสมอว่า ความตายนี้อยู่ที่ปลายจมูกนี่เองถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายแล้วหรือถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายแล้วให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกให้เราไปหาสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นที่พึ่งของเราที่ไม่สามารถมาดับความทุกข์ ภายในใจของเราได้เราจะได้ทุ่มเทเ ว, เวลาให้กับการหาสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราสิ่งที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ก็คือคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราปฏิบัติอยู่สาขั้นตอนด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งทรงตรัสว่า ทานคือการให้ขั้นที่สองคือศีลคือการไม่ทำบาปสามภาวนาคือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คืองานของพวกเราเป็นการนาเอาธรรมโอสถมาเข้ามาสู่ใจของเราถ้าเราปฏิบัติสมขั้นตอนนี้ได้ เราก็จะได้ธรรมโอสถเข้ามารักษาโรคใจของพวกเรามาดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเรามาค่าเชื้อโรคของใจเชื้อโรคของใจคืออะไรก็คือความโลภ ค, ความโกรธความหลง ค, ค, ค, ค, ค, ความอยากต่างๆเช่นกาม m a ตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นดน ภาวตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้ความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเชื้อโรคที่จะผลิตโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ใจเหมือนกับเชื้อโรคทางร่างกายวิธีรักษาก็ต้องเอายาเข้ามาฆ่าเชื้อโรคเช่นเรามีโรค ในร่างกายเราก็ต้องหายาที่ถูกกับโรคมารับประทานถ้ายากับโรคถูกกันยาก็จะทำลายเชื้อโรคเราก็จะหายร่างกายก็จะหายจากโรคไข้ไข้เจ็บฉันใดใจของพวกเราก็จะหายจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเราน้อมนำเอายาคือธรรมโอสถเข้ามาสู่ใจ ด้วยการทำทานด้วยการรักษาสิ่งและด้วยการภาวนาวการที่จะรักษาให้หาขาดนี้เราต้องกินยาตามที่พู้เจ้าสอนเช่นทานก็ต้องทำให้หมดเลยถึงจะเรียกว่าทำตามที่พระุทธเจ้าทรงสั่งสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทมาพระพุทธเจ้ามีสมบัติ ข้าวของเงินทองมีอะไรต่างๆมากน้อยเพียงไนพระ อ, องค์ทรงสละไปหมดเลยไม่เก็บเอาไว้เพื่อที่พระ อ, องค์จะได้มีเวลาออกไปรักษาศีลออกไปภาวนาได้เพราะถ้าเรายังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเราจะรักษาศีลไม่ค่อยได้กันเพราะเวลาเราต้องรักษาสมบัติ บางครั้งเราก็อาจจะต้องพูดบทบางครั้งเราอาจจะต้องช่อโกเพื่อที่เราจะได้สมบัติได้เงินได้ทองมาอย่างง่ายและเร็วแต่ถ้าเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการหาทรัพสมบัติไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการดูแลรักษาสมบัติไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับการใช้ทรัพสมบัติต่างๆเราก็จะสามารถรักษาสิน ได้อย่างง่ายดายนี่คือเหตุผลที่พวกเราต้องทำทานกันถ้าเราอยากที่จะรักษาใจของเราให้สะอาดอย่าเห็นว่าเงินทองนี่เป็นของมีค่านอกจากการมีไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นมันเป็นเหมือนเชื้อโรคเงินทองนี่ก็เป็นเหมือนเชื้อโรคเพราะว่ามันจะทำให้เราโลภทำให้เราโกรธ ทำให้เราหลงกับเงินทองหลงคิดว่าถ้ามีเงินทองแล้วเราจะดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราได้แต่ต่อให้มีร้อยล้านพันล้านหรือแสนล้านก็รับรองได้ว่าจะไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ไม่เชื่อไปถามมหาเศรษฐีดูว่าเขายังมีความทุกข์ในใจกันอยู่หรือเปล่าทุกคนยังต้องมีความทุกข์ เช่นทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บ่า้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งที่ลากไปทุกข์กับการเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบนี่คือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นขอทานหรือเป็นมหาเศรษฐีก็ยังจะต้องทุกข์กับความทุกข์เหล่านี้อยู่ยกเว้นผู้ที่มีธรรมโอสถเช่นพระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้ไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายไม่ทุกกับการพัดพร่าจากสิ่งที่รักไม่ทุกกับการเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเพราะนี่คืออํานาจของธรรมโอสถยาของพระพุทธเจ้า ดังนั้นอย่าไปเสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจมันเป็นเพียงที่พึ่งของร่างกายเท่านั้นเราจึงอย่าไปยึดติดกับร่างกับเงินทองหรืออยากจะได้เงินทองมาดับความทุกข์มาซื้อความสุขเพราะว่าเราดับมาซื้อมาซื้อความสุขดับความทุกข์มาด้วยเงินทองตั้งแต่เราเกิดแล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ความทุกข์มันก็ยังไม่หายไปจากใจของเราแต่ถ้าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทารับรองได้ว่าเราจะดับวามทุกข์ภายในใจได้อย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงดับมาแล้วด้วยการสลราชสมบัติด้วยการออกไปปฏิบัติรักษาศีลและภาวนาทำอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ได้ทาแบบมือสมัครเล่นอย่างพวกเราที่ทํากันวันละชั่วโมงบ้างวันละครึ่งชั่วโมงบ้างอย่างนี้ยังถือว่าไม่พอเพียงเหมือนกับกินยาวันละเม็ดแทนที่หมอบอกให้กินวันละสิบเม็ดก็ขอกินวันละเม็ดกินไปจนวันตายโรคมันก็ไม่หายเพราะเราไม่กินยาตามที่หมอสั่งนั่นเอง ถ้าเราอยากจะให้ทุกใจของเรานี้หาย ห, หมดไปเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือต้องทำทานให้เต็มที่ต้องสละไปให้หมดสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของเราไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือบุคคลต่างๆเช่นสามีภรรยาบุตรธิดาเราก็ต้องสละเราต้องจากเขาไป ถ้าเราอยากที่จะรักษาใจของเราให้หมดจากความทุกข์การจากไปนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะจากกันไปอย่างถาวรก็เหมือนกับการจากไปเรียนหนังสือนี่เองหรือไปเข้าโรงพยาบาลเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องจากคนต่างๆไปเพราะเราอยู่กับเขาไม่ได้เราต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่พอเรารักษาหายแล้ว เราก็กลับมาหาญาติสนิทมิตสหายหาคนต่างๆที่เราเคยรู้จักได้และจะพบกับเขาได้อย่างมีความสุขเราจะไม่ทุกข์กับเขาเลยไม่เหมือนกับตอนนี้ที่เรามีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์กับคนที่เรารู้จักใจหนึ่งก็สุขที่ได้เห็นหน้าเขาใจหนึ่งก็ทุกข์กลัวว่าจะไม่ได้เห็นหน้าเขาอีกต่อไป นี่เพราะว่าเรายังไม่ได้รักษาใจของเราให้หายแต่ถ้าเราไปรักษาใจของเราให้หายแล้วพอเรากลับมาพบกับคนที่เรารู้จักคนที่เรารักที่นี้เราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาดีใจที่ได้พบกับเขาแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องจากกันไปแต่การจากกันแบนี้ก็จะไม่ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างได ใจของเรามียารักษาใจคือมีธรรมโอสถไว้ป้องกันไม่ให้ใจของเราทุกข์กับการทัดพากจากกันนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราไปเข้าโรงพยาบาลกันเถอะไปรักษาโรคใจของเราก่อนรักษาให้หายแล้วเมื่อหายแล้วเราก็กลับมาพบปะ ก, กับคนที่เรารู้จักได้เช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตัดจารแล้ว พระ อ, องค์ก็ไม่ได้หนีไปอยู่ในป่าคนเดียวล่ะก็ทรงกลับมาพบปะกับบุคคลต่างๆรู้จักกับคนมากมายยิ่งกว่าสมัยก่อนที่เป็นพระพุทธเจ้าเสียอีกสมัยที่อยู่ในวังก็จะรู้จักแต่เฉพาะคนที่อยู่ในวังหรือคนเข้าไปในวังเท่านั้นแต่หลังจากที่ทรงตัดสัตวแล้วนี้พระ อ, องค์ทรงพบปะกับคนเป็นหมื่นเป็นแสนมีคนมาหามาสนธนา ศึกษาก็ะธรรมจากพระพุทธเจ้าทุกวันทุกเวลาแญาติสนิทมิตรสหายของพระองค์ก็ติดตามมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมกับพระองค์และได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างที่พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นมานี่คือทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราไปกัน ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้พบกับญาติพี่น้องของเราอีกต่อไปเราได้พบแน่ๆหลังจากที่เรารักษาใจของเราให้หายขาดแล้วก็เหมือนกับคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลก็ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายพอหายเราก็กลับมาอยู่บ้านมาพบปะกับญาติสนิทมิตสหายกับเพื่อนฝูงต่างๆได้เหมือน เหมือนเดิมแล้วก็จะดีกว่าเดิมดีกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพบคนนั้นพบคนนี้ก็จะทำอะไรไม่ได้มีแต่จะบว่นว่าไม่สบายไม่สบายเพื่อนฝูงจะชวนไปเที่ยวไปทำอะไรก็ไปไม่ได้เพราะไม่สบายแต่ถ้าเราไปรักษาโรคให้หายแล้วกลับมาพบปะกับเพื่อนฝูงเขาชวนไปไหนก็ไปกับเขาได้เลย ใจของเราก็เช่นเดียวกันตอนนี้ใจของเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเราทำไมไม่รีบรักษาเหมือนกับเวลาที่เรารักษาร่างกายเวลาร่างกายเราเจ็บนิดเจ็บหน่อยนี้เรารีบไปโรงพยาบาลากลันลวแต่เวลาใจของเราทุกข์ทำไมเราไม่รีบเข้าโรงพยาบาลบ้าง เพราะว่าเราถูกกิเลสคอยขัดขวางอยู่เรื่อยๆกิเลสคือความหวงความห่วงห่วงคน น, งคนั้นห่วงคนนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เลยไม่กล้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็เลยจะต้องอยู่กับความทุกข์ไปจนวันตายและหลังจากตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาทุกข์อีกรอบใหม่ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าไม่ได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้กระทํากันดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจให้ได้ด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนารับรองได้ว่าใจของเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนเหมือนใจของ ผู้ที่ได้หลุดพ้นกันมาแล้วเป็นจำนวนมากก่อนที่เขาจะหลุดพ้นอยากความทุกข์เขาก็มีความทุกข์เหมือนพวกเราเขาก็มีสมบัติเข้าของเงินทองเหมือนพวกเรามีสามีมีภรรยามีบุตรธิดาเหมือนพวกเรามีอะไรต่างๆเหมือนกับเราหมดเลยต่างตรงที่ว่าเขามีศรัทธามากกว่าพวกเราเขามีวิริยะความอุสาหะภาคเพียร มากกว่าพวกเราเขามีขันติความอดทนมากกว่าพวกเราจึงทำให้เขาสามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้าพวกเรามีศรัทธามีวิริยะความภาคเทียนมีขันติความอดทนอย่างเต็มที่เหมือนกับท่านเหล่านั้นแล้วรับรองได้ว่าเราก็จะรักษาใจของเรา ให้หายจากความทุกข์ทั้งหลายได้เช่นเดียวกันจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อที่มาทำคุณทำประโยชน์ให้กับตัวเราและแก่ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาณนี้เพราะเวลาของพวกเรานี้มีน้อยลงไปเรื่อยๆและจะหมดไปได้ทุกวันทุกเวลาถ้าเราไม่รีบตักตวงเสีย เราก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ที่เราพึงจะได้กันก็ขอฝากให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาไว้เพียงเท่านี้การแสดงก็สมควรแกร่เวลาขอยุตติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขแลกความเจริญแก้วคกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเทอ